สมมติว่าผิดทางศัจธรรมก็จัดว่าผิดเช่นมีเจตนาฆ่าคนตายสารสั่งประหารชีวิตตามกฎหมายว่าผิดทางศัจธรรมก็ว่าผิดและจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นทางโลกสมมติว่าผิดทางศัจธรรมจัดว่าไม่ผิดเช่นคนหัดขับรถใหม่ ย, ยังไม่ชำนาญทำผิดกฎจราจรโดยไม่เจตนาคือจอดรถในที่ห้ามจอดขาวแดงและถูกเขียนใบสั่งความจริงก็ ไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาปอะไรทางโลกสมมุติว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ทางศัจธรรมว่าผิดเช่นคนฆ่าไก่ในบ้านของตนเองเอามากินทางโลกว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ทางธรรมทางศัจธรรมว่าผิดก็คือบาปจะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุบัจจัย ทางโลกสมมุติว่าถูกและทางศัจธรรมก็ว่าถูกเช่นคนทำดีแล้วทางโลกยกย่องให้รางวัลส่วนทางศัจธรรมก็จัดว่าทำดีย่อมได้ดีแต่จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย คุณธรรมความหมายที่หนึ่งความรู้คู่คุณธรรมหมายถึงนักเรียนษษนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนประชาชนทั่วไปควร ม, มีความรู้ในการศึกษาที่ดีก้าวหน้าทันสมัยตามนิยมของโลกความรู้ในการศึกษาไม่ว่าจะในสถานการณ์ศึกษาหรือนอกสถานการณ์ศึกษาต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆและความรู้นั้นจะต้องมีคุณธรรม ที่เป็นความดีควบคู่กันไปเพราะถ้าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมประจําใจหรือเป็นคนไม่ดีเสียแล้วก็เป็นอันตรายมากเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมในโลกจะเกิดจากการที่คนไม่มีคุณธรรมประจําใจแต่ถ้าเป็นคนดีมีศีลมีธรร ม, ม, รรมถึงจะมีความรู้น้อยกว่านิดหน่อย ก็ยางดีเพราะในครอบครัวหรือสังคมไหนๆถ้ามีคนมีคุณธรรมอยู่มากความวุ่นวายก็น้อยแต่ถ้าที่ไหนมีคนไร้คุณธรรมอยู่มากความวุ่นวายก็มากตามมาความรู้คู่คุณธรรมความหมายที่สองความรู้คู่คุณธรรมหมายถึงขณะที่จิตรับรู้ในสิ่งต่างๆคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายได้รับ สิ่งสัมผัสใจรับรู้อารมณ์ทั้งนึกคิดในสิ่งต่างๆในขณะที่จิตรับรู้ในสิ่งต่างๆนั้นควรมีคุณธรรมควบคู่อยู่ด้วยการที่จะให้มีคุณธรรมควบคู่อยู่ได้นั้นต้องอาศัยสติปัญญาในทางธรรมปัญญาก็คือการรู้เท่าทันในสิ่งนั้นๆเป็นไปเพื่อลดละกิเลสปัญญาทางธรรมนี้ต้องอาศัยการฝึกอบรมในด้านจิตใจ ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตอบรมดีแล้วย่อม น, นำสุขมาให้ความรู้คู่คุณธรรมความหมายที่สามความรู้ คคุณธรรมในความหมายนี้ต้องผ่านการปฏิบัติธรรมจเจริญกรรมฐานเท่านั้นจิตจึงพบกับสภาวธรรมนี้ได้ซึ่งเป็นสภาวธรรมล้วนๆที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่มีสมมติบัญญัติใดๆเชื้อปนอยู่เป็นสภาวะจิตที่เป็นอิสระเป็นความรู้คุณธรรมที่สมบูรณ์ตามหลักในความหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะความหมายของธรรมนั้นละเอียดอ่อน มีทั้งเบื้องต้นและจนถึงที่สุดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ามงคลแท้มงคลเทียมมงคลคือเหตุนำมาซึ่งความเจริญในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่ามีเทวดาองค์หนึ่งเกิดความสงสัยว่าอะไรคือมงคลที่แท้อันประเสริฐที่ควรกระทำเทวดาองค์นั้นได้ไปถามพวกเทวดาด้วยกัน ก็ได้คำตอบไม่ชัดเจนไปถามเทวดาชั้นอื่นๆก็ได้คำตอบไม่น่าพอใจไปถามพวกพรหมก็ได้คำตอบที่ไม่น่าพอใจอีกท่านกล่าวไว้ว่าเที่ยวถามในที่ต่างๆอยู่ถึงสิบสองปีก็ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนอยู่นั่นเองจึงคิดว่าพวกเทวดาก็มีหัวหน้าและหัวหน้าเทวดาก็คือพระอินทนั่นเองจึงไปถามพระอินท ก็ตรัสถามเทวดานั้นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเทวดาทั้งหลายทูลว่าประทับอยู่ในมนุษย์โลกพระอินถามอีกว่ามีใครไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือยังก็ได้คําตอบว่ายังไม่มีใครไปถามพระอินทจึงว่าดูก่อนท่านทั้งหลายทาไมจึงทิ้งดวงไฟเสียแล้วมาตามไฟต่อจากแสงหิงห้อย ด้วยเหตุไรเราทั้งหลายไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคงจะได้รับการพยากรณ์ปัญหานี้อย่างแน่นอนเทวดาทั้งหลายจึงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมและทูลถามมงคลปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตอบปัญหาแก่เทวดาทั้งหลายถึงมงคลอันแท้จริงประเสริฐมีสามสิบแปดประการดังนี้ มงคลข้อที่หนึ่งไม่คบคนพาลเพราะคนพาลมักทำผิดศีลคนพาลมักได้นำให้หลงอยู่ในบาปอากุศลคนพาลเหมือนปลาเน่าผู้คบคนพาล น, นั้นก็เสมือนเอาใบไม้ไปห่อปลาเน่าใบไม้ก็พลอยเน่าเหม็นเกิดทุกข์เกิดโทษตามมาได้มงคลข้อที่สองควรครบบัณฑิตเพราะปกติคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในพุทธศาสนานั้นเป็นคนมีศีลมีธรรม แนะนำในสิ่งที่ดีงามคอยชี้ถูกชี้ผิดเหมือนนําผ้าหรือใบไม้มหอไม้กฤษศนาที่เป็นไม้หอมหรือของหอมผ้าหรือใบไม้ก็พลอยหอมไปด้วยมงคลข้อที่สามการบูชาบุคคลที่ควรบูชาบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณควรบูชาอย่างยิ่งบัณฑิตผู้เป็นคนดีมีศีลมีธรรม ก็ควรบูชาอย่างยิ่งการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของนั้นก็ดีแต่การบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชานั้นเลิศกว่าดีกว่าเป็นไหนไหนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ผู้ใดแลไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้นชื่อว่าสัการะเคารพนับถือบูชา ยำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมมงคลข้อที่สการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีถ้าในถิ่นนั้นยังมีการบำเพ็ญกุศลอยู่มีผู้ประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำก็จะเป็นเหตุปัจจัยแก่การทำบุญได้ง่ายขึ้นมงคลข้อที่ห้าเป็นผู้ได้ทำความดีไว้พร้อมก่อนแล้ว เช่นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายท่านได้สะสมบารมีพร้อมแล้วจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกได้เป็นผู้ทําความดีพร้อมแล้วจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระเจ้าแผ่นดินท่านได้เป็นผู้สะสมบุญกุศลพร้อมแล้วจึงได้มาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนที่เกิดมาหน้าตาดีเป็นคนรวยเป็นคนฉลาดท่านเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญกุศลมาพร้อมดีแล้ว มงคลที่หกตั้งตนไว้ชอบบางคนเคยเป็นคนไม่ดีตั้งตนอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีความคิดผิดหลงผิดไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหลงมัวเมาในทางโลกแต่เมื่อเขาสำนึกผิดชอบชั่วดีตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเขาจึงเปลี่ยนความประพฤติใหม่โดยตั้งตนอยู่ในศีลธรรม และสนใจเรื่องบุญกุศล น, นี้เรียกว่าตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อที่7เป็นผู้มีการศึกษามากในธรรมการศึกษามากรู้กว้างขวางแล้วใช้ดุลยพินิษมีความเพียรในการปฏิบัติย่อมทำให้แจ้งในความจริงอันสูงสุดด้วยปัญญา ข้อที่8มีศิลปะวิทยาคือมีความสามารถในการงานนั้นๆเช่นคนทำอาหารช่างทองหรือพระก็รู้จักจัดทมสมณบริคารและเย็บผ้าเท่าที่จำเป็นผู้ที่มีความสามารถดีในงานนั้นๆแต่ในงานนั้นๆต้องไม่เป็นไปเพื่อบาปอคุศลมงคลที่เ้ามีระเบียบวินยัยเราอยู่ในฐานะอะไร ก็ให้มีระเบียบวินัยในฐานะนั้นๆเช่นเด็กนักเรียนไปโรงเรียนก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนแต่พอไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลก็ต้องรักษาระเบียบความเหมาะสมของโรงพยาบาลพอไปวัดก็ต้องรักษาระเบียบของวัดพระเนนประชาชนครูทหารตำรวจพ่อบ้านแม่บ้านลูกตนในฐานะอะไรก็ต้องรู้จักรักษาระเบียบวินัยในฐานะของตน มงคลข้อที่สิบวาจาที่เหมาะสมคือเป็นผู้มีวาจาที่ให้ผลดีแก่ผู้ฟังและตนเองเช่นวาจาที่เป็นสุภาษสิทธิ์วาจาเป็นธรรมวาจาที่ไพเราะวาจาที่เป็นคำสัตย์มงคลที่สิบเอ็ดการบำรุงมารดาบิดาพ่อแม่มีพระคุณยิ่งใหญ่นักลูกผิดพลาดพ่อแม่พร้อมจะให้อภัยยามพ่อแม่แก่เท่าผิดพลาดบ้างควเมตตา และสงสารบุคคลที่บำรุงพ่อแม่ด้วยวัตถุสิ่งของอย่างดีนั้นควรได้รับการสรรเสริญในโลกนี้และละโลกนี้ไปแล้วจะนำซึ่งสุขในสวรรค์แต่ถ้าใครบำรุงพ่อแม่ด้วยการให้ท่านเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถึงพร้อมด้วยศีลและปฏิบัติธรรมผู้นั้นจัดว่าเป็นยอดของการบำรงพ่อแม่ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ ว่ายอดกว่าการให้วัตถุสิ่งของใดๆในโลกองคลข้อที่12องการสงเคราะห์บุตรคือการส่งเสริมในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องระวังถ้าสงเคราะห์ด้วยจิตที่รักมากห่วงมากนั้นจะทำให้เราทุกข์มากควรสงเคราะห์โดยหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหลักธรรมความทุกข์จากลูกจะเบาบางน้อยลง